ตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนให้พวกเราทำบุญละบาปชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์เพราะเป็นการกระทำที่จะทําให้เราสุขมากขึ้นเจริญมากขึ้นทุกข์น้อยลงและภพชาติน้อยลงไปเรื่อย จนไม่มีหลงเหลืออีกต่อไปเราเชื่อพระพุทธเจ้าว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้เป็นสิ่งที่เป็นความจริงที่เรายัางไม่สามารถรู้ได้ด้วยตัวของเราเองเนื่องจากใจของเรายัางมืดบอดอยู่ใจก็คือตาในของเราตาในเราตอนนี้ ถูกปิดไว้ด้วยความมืดบอดคือความหลงโมหะอวิชชาความไม่รู้จึงทำให้เรามองไม่เห็นการเวียนว่ายตายเกิดของเราเราเห็นแต่ร่างกายของเราเราก็คิดว่าร่างกายเกิดมาแล้วแล้วก็ตายไปเวลาตายไปแล้วก็ไม่มีไป ไม่มีใครไปรับผลบุญผลบาปที่ได้ทำเอาไว้เพรา่างกายเมื่อตายไปก็กลายเป็นดินไปกลายเป็นขี้เถ้าไปแล้วเอาไปเผาก็กลายเป็นขี้เถ้าเอาไปฝังดินก็กลายเป็นดินไปแล้วใครจะเป็นผู้รับผลบุญผลบาปที่เราทากันถ้าเราเห็นเพียงแต่ร่างกาย เราก็ไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปเราก็จะไม่เชื่อเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดเราไม่เชื่อว่าเราตายไปแล้วเรายังต้องไปเกิดใหม่ต้องไปรับผลผลผลบุญ ผ, ผ, ผ, ผ, ผลบาป ท, ที่เราทำไว้ Leave. เพราะเรามองไม่เห็นตัวเราที่จะไปรับผลบุญผลบาปเพราะเราปิดตาของเราไว้เรามองไม่เห็นตัวเรา แต่พระพุทธเจ้าหลังจากที่พระ อ, องค์ได้ทรงศึกษาค้นคว้าและปฏิบัติจนในที่สุดพระ อ, องค์ก็ทรงสามารถเปิดตาของพระ อ, องค์เองได้นะคําว่าตัดสรู้ก็คือรู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อนสิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อนก็คือเรื่องใจเรื่องของโลกทิพย์นอกจากร่างกายเหล่านี้ยังมี ใจที่อยู่ในโลกทิพใจที่ไม่มีร่างกายอยู่ในระดับต่างๆระดับสูงระดับที่มีความสุขเราก็เรียกว่าสวรรค์ระดับต่ำระดับที่มีความทุกข์เราก็เรียกว่าอบายอันนี้เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นเหมือนกับคนที่ตาบอด มืดตาที่ถูกปิดไว้พอเปิดสิ่งที่ปกปิดตาไว้ตาก็จะสามารถเห็นสิ่งต่างๆได้อย่างพวกเราตอนนี้เรามีตาของร่างกายเราเห็นสิ่งต่างๆรอบตัวเราได้แต่ถ้าเกิดตาเราถูกปิดขึ้นมาใครเอาผ้ามาปิดเราก็จะมองไม่เห็นอะไรเราก็จะเห็นแต่ความมืด เห็นแต่สีดำเราก็จะคิดว่ามีแต่ความมืดมีแต่สีดำแต่พอเราเอาผ้าที่ปิดตาออกลืมตาขึ้นมาเราก็จะเห็นสิ่งต่างๆนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นคือสามารถเปิดตาในที่บอดตาในที่มองไม่เห็นนรกมองไม่เห็นสวรรค์มองไม่เห็นดวงจิตดวงใจของพระองค์ มองไม่เห็นดวงจิตดวงใจของสัตว์โลกทั้งหลายอย่างพวกเราแต่พอท่านเปิดตานายขึ้นมาท่านก็เห็นของที่เรามองไม่เห็นกันมองไม่เห็นโลกทิพย์โลกทิพย์ที่มีสวรรค์มีนรกมีผู้ที่อยู่ในโลกทิพย์ระดับต่างๆถ้าอยู่ระดับสูงก็เป็นเทพเป็นพรหมถ้าอยู่ระดับต่ำ ก็เป็นพวกเบรดพวกผีพวกนรกนี่คือดวงวิญญาณหรือดวงจิตดวงใจที่หลังจากร่างกายนี้ตายไปแล้วดวงจิตดวงวิญญาณนี้ยังไม่ได้ตายไปกับร่างกายต้องเป็นผู้ไปรับผลบุญผลบาปที่ทำเอาไว้ต่อถ้าทําบุญก็จะได้ไปรับ ไปอยู่บนสวรรค์ชั้นต่างๆเป็นเทพเป็นพรหมเป็นพระอริยเจา้าถ้าทําบาป ก, ก็จะไปอยู่ในระดับต่างไปเป็นเดรัจฉานไปเป็นเปรตไปตกนรกอันนี้คือสิ่งที่เรามาเชื่อกันทั้งๆ ท, ท, ที่เรายังมองไม่เห็นกันแต่เราเชื่อว่าพระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็น แล้วทรงมีพระเมตตาเอาความรู้นี้มาสอนพวกเราที่เป็นเหมือนคนตาบอดถ้าพวกเราเชื่อเวลาพวกเราตายไปเราทำตามที่พระเจ้าทรงสั่งสอนเวลาตายไปเราจะไปเกิดในที่ดีไปสู่สุคติการไปเกิดในที่สุคติได้นั้นต้องเกิดจากการทำบุญไม่ทำบาป ต้องทำสองข้อด้วยกันการทำบุญจะทำให้เรามีทรัพย์สมบัติติดตัวไปการไม่ทำบาปจะเป็นการป้องกันไม่ให้เราไปเกิดในที่ต่ำไม่ให้เราไปเกิดในอบายพอร่างกายเราตายไปถ้าเรามีบุญแล้วมีศีลคือการไม่ทำบาปใจของเราก็จะไปสู่สุคติ ไปเป็นเทพไปเป็นพรหมกันอันนี้พวกเราอยัางไม่รู้ยังไม่เห็นเราก็เลยต้องเชื่อคนที่รู้คนที่เห็นก่อนเพราะถ้าเราไม่เชื่อเราก็จะไปทำบาปกันเพราะการทำบาปไม่ง่ายกว่าการทำบุญเวลาเราอยากได้อะไรเราหามาโดยวิธีที่ไม่ได้ทำบาปไม่ได้เราก็จะไปทำบาปกัน เพราะความอยากในใจนี้มันจะทำให้เราทรมานใจถ้าไม่ได้สิ่งที่เราอยากได้อย่างนั้นทอเราไม่สามารถหาสิ่งที่เราอยากได้โดยวิธีไม่ทำบาปเราก็จะไปทำบาป ก, กันแล้วถ้าเราไม่เชื่อว่าจะมีผลบาปเราก็จะไม่กลัวบาปเราก็จะทำกันอย่างที่เราเห็นกันทุกวันนี้คนสมัยใหม่นี่ เขาไม่เชื่อนรกไม่เชื่อสวรรค์เพราะเขาไม่สามารถเห็นได้ด้วยตาของเขาเองเขาก็เลยคิดว่านรกไม่มีสวรรค์ไม่มีพราเขาคิดว่าสวรรค์อยู่บนท้องฟ้านรกอยู่ใต้ดินอันนี้ไม่ใช่เป็นที่อยู่ของสวรรค์หรือนรกสวรรค์นรกนี้อยู่ในใจของเราเรียกว่านรกในอกสวรรค์ในใจ ใจเราเวลาทำบุญใจเรามีความสุขนใจเราไปสวรรค์แล้วใจเราเวลาทำบาปทำแล้วมีความทุกข์ใจใจเราก็ไปนรกแล้วคาว่าไปก็คือเราสร้างนารกสร้างสวรรค์ขึ้นมาในใจของเรานี่เองนรกไม่ได้เป็นสถานที่เหมือนกรุงเทพเหมือนเชียงใหม่ที่เราต้องเดินทางไปกัน นรกสวรรค์นี้อยู่ที่ตัวเราแล้วอยู่ที่ว่าเราจะทําตัวของเราคือใจของเราให้เป็นนรกหรือเป็นสวรรค์ขึ้นมาถ้าเราทําบุญเราก็จะได้สวรรค์ใจของเราก็อิ่มมีความสุขอันนี้เปรียบเหมือนกับเราติดเครื่องปรับอากาศให้กับใจของเราเวลาใจเราร้อนถ้าเราติดเครื่องปรับอากาศ เราไปทำบุญทำบุญแล้วความร้อนใจก็จะหายไปความเย็นใจก็กลับมาแต่ถ้าเราไปทำบาปก็เหมือนเราไปเปิดเครื่องทำความร้อนพอ เ, เปิดเครื่องทำความร้อนในใจของเราก็ร้อนขึ้นมาการกระทำของเราเนี่ยมีสองลักษณะทำให้ใจร้อนหรือทำให้ใจเย็นการทำให้ใจเย็นนี้เราเรียกว่าเป็นการทำบุญ การทำให้ใจร้อนนี้เรียกว่าเป็นการทำบาปเราจรึงควรที่จะเชื่อพระพุทธเจ้าถ้าเราไม่อยากจะได้บาปไม่อยากจะได้นรกเราก็อย่าไปทำบาปอย่าไปเปิดเครื่องทำความร้อนเปิดเครื่องทาความร้อนแล้มันร้อนเหมือนในศาลานี้เราเปิดพัดลมเพื่อระบายความร้อน ถ้ามีเครื่องปร ะ, ประกาศก็ยิ่งจะทาให้ใจเย็นขึ้นสถานที่นี้เย็นเพิ่มมากขึ้นไปอีกฉนันใดการกระทำบุญการกระทำบาปนี้เป็นการสร้างความร้อนหรือสร้างความเย็นให้แก่ใจความร้อนเราก็เรียกว่านรกเรียกว่าอบายความเย็นเราก็เรียกว่าสวรรค์นี่คือเรื่องของใจใจไม่มีรูปร่างเหมือนร่างกาย ไม่มีขนาดเราจรึงไม่สามารถวัดขนาดของใจเราได้ว่ากว้างใหญ่หรือเล็กอย่างไรเราวัดใจของเราได้ด้วยความรู้สึกเวลาเรามีความรู้สึกสบายแสดงว่าใจเรากำลังอยู่ในสวรรค์เวลาใจเราเดือดร้อนวุ่นวายวุ่นวายเครียดทุกทรมานใจ เวลานั้นใจของเราอยู่ในอบายอยู่ในนรกเกิดจากการทำบุญหรือทำบาปและเกิดจากการมีความโลภความโกรธความหลงมีความอยากต่างๆหรือไม่เวลามีความโลภความโกรธความหลงใจของเราจะร้อนขึ้นมา ท, าทันทีแล้วถ้าเราไปทำบาเพื่อให้ได้สิ่งที่เราอยากได้ ก็จะยิ่งทำให้ใจของเราร้อนขึ้นไปใหญ่แต่ถ้าเราหยุดความโลภความโกรธความหลงได้ใจของเราก็จะเย็นอย่างตอนนี้ใจของพวกเราสบายเย็นเพราะอะไรเพราะตอนนี้ไม่มีความโลภไม่อยากได้อะไรตอนนี้ไม่มีความโกรธไม่โกรธใครตอนนี้ไม่มีความหลงไม่มีความวิตกกังวลห่วงใยกับเรื่องราวต่างๆ เพราเราตอนนี้หยุดความโลภความโกรธความหลงได้ชั่วคราวจากการที่เรามานั่งฟังเทศฟังธรรมกันเวลานั่งฟังเทศฟังธรรมใจเราก็เลยจดจ่ออยู่กับการฟังเราก็เลยไม่มีเวลาไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้คนนั่นคนนี้ถ้าเราไม่ได้ฟังเทศฟังธรรม เดี๋ยวใจเราก็จะไปคิดถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้คนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ใจก็จะเกิดความโลภเกิดความอยากขึ้นมาทันทีพอเกิดความโลภ<ม>ความอยากแล้วก็จะอยู่ไม่เป็นสุข<ม>อยู่ไม่ได้อยู่เฉยๆไม่ได้พออยากจะได้อะไรก็ต้องลุกขึ้นไปทําในสิ่งที่อยากได้ถ้าไม่ได้ทําใจก็จะไม่สบาย นี่คือเหตุที่ทำให้ใจของเราวุ่นวายใจของเราไปทำสิ่งต่างๆที่ไม่ดีก็คือกิเลสตัณหาของพวกเราเนี่คือความโลภความโกรธความหลงพระพุทธเจ้าจึงสอนให้พวกเรามาชําระความโลภความโกรธความหลงกันเพราะเวลาที่ไม่มีความโลภความโกรธความหลงใจจะอยู่เฉยๆใจจะไม่ดิน้น ใจจะมีความสุขทั้งๆ ท, ที่ไม่มีอะไรความสุขของใจเรานี้ไม่ได้เกิดจากการมีข้าวของเงินทองต่างๆมีมากน้อยเท่าไหร่ถ้ายังมีกิเลสมีความโลภความอยากอ ย, กอยู่ใจก็ยังจะไม่มีความสุขเพราะมันไม่มีความพอความโลภความอยากนี้ทำให้ใจเราไม่พอ ต่อให้เราได้อะไรมามากน้อยเพียงไรความโลภความอยากมันจะไม่หมดไปกับการที่เราได้สิ่งต่างๆมาความพอหรือความสุขของใจนี้จะเกิดได้ต่อเมื่อเราทำลายความโลภทำลายความอยากด้วยการฝืนไม่ทำตามด้วยการทำใจให้นิ่งให้สงบอย่างตอนนี้เราฟังเทศฟังธรรมเราก็ลืมเรื่องราวต่างๆไปได้ชั่วคราว ตอนนี้ความโลกก็ไม่มีความอยากก็ไม่มีความโกรธก็ไม่มีเราก็เลยรู้สึกสบายใจแต่พอเราเออกจากที่นี่ไปเดี๋ยวไปพบสิ่งนั้นสิ่งนี้เห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้เดี๋ยวก็เกิดความโลภความไม่พอใจขึ้นมาแล้วก็เกิดความโกรธขึ้นมานี่คือเรื่องของความสุขความทุกข์เรื่องของนรกเรื่องของสว่า มันเกิดจากเราเองเป็นผู้สร้างมันขึ้นมาเพราะเราไม่รู้จักวิธีสร้างแต่ความสุขไม่รู้จักวิธีดับความทุกข์ต่างๆไม่รู้จักวิธีหยุดความโลภความโกรธความหลงเราจึงต้องเข้ามาหาพระพุทธเจ้าผู้ที่รู้จักวิธีสร้างความสุขให้กับใจรู้จักวิธีดับความทุกข์ให้กับใจ รู้จักวิธีกำจัดความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆที่เป็นตัวผลักดันให้เราไปทำอะไรและทำให้เราต้องไปเกิดใหม่หลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วแต่ความอยากของเราความโลภไม่ได้ตายไปกับร่างกายมันอยู่ในใจมันก็จะดึงให้เราไปหาอะไรไปทำอะไร การจะไปหาอะไรไปทำอะไรได้ก็ต <Hello? S 1> <ų> ้องมีร่างกายก็จะดันให้เราไปเกิดเป็นมนุษย์บ้างไปเป็นเดรัจฉานบ้างขึ้นอยู่กับบุญกับบาปที่เราทำไว้อันนี้คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงใต้ตัดสะรู้ทรงเห็นมาแล้วก็มาสอนพวกเราให้พวกเรามาทำบุญมาละบาปแล้วมาชำระใจให้สะอาด เพราะถ้าเราทำทั้งสามอย่างได้นี้เราจะได้สวรรค์เราจะได้ไม่ต้องไปเกิดในอบายไม่ต้องไปตกนรกและเราจะได้ยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้เหตุที่ทำให้เรามาเกิดก็คือความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆพอเราทำลายมันได้เราก็จะไม่มีเหตุที่จะผลักดันให้ใจของเรามาเกิด เช่นเหมือนรถยนต์ถ้าเราถอดเครื่องยนต์ออกจากรถยนต์มันก็วิ่งไปไหนมาไหนไม่ได้แต่ถ้ามีเครื่องยนต์เดี๋ยวมันก็วิ่งไปไหนมาไหนได้เครื่องยนต์ที่ขับเคลื่อนใจของเราให้ไปเกิดแก่เจ็บตายก็คือความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆอันนี้เป็นความรู้ที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และทรงนำมามาสั่งสอนพวกเรา พราะพระองค์ได้พิสูจน์แล้วเห็นแล้วว่าการไม่มีความโลภความโกรธความหลงนี้เป็นสิ่งที่ทำให้ใจเราสบายเป็นสิ่งที่ทำให้ใจเรามีความสุขมากเป็นสิ่งที่ทำให้เราไม่ต้องมาทุกขกับการเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปพองจึงนามาสั่งสอนผู้ที่ได้ยินได้ฟังแล้วนำาไปปฏิบัติ ก็สามารถได้รับผลเช่นเดียวกับที่พระพุทธเจ้าได้ทรงรับผลบุคคลที่ได้รับผลได้บรรลุเหมือนที่พระพุทธเจ้าได้บรรลุก็กลายเป็นพระอาหารหันตสาวกขึ้นมาเป็นคนที่มีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์เป็นคนที่ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปพวกเราก็สามารถเป็นเหมือนพระอาหารหันตสาวกได้ พพระอรหันตสาวกก่อนที่ท่านจะเป็นพระอรหันต์ท่านก็เป็นเหมือนพวกเราท่านก็มีความโลภความโกรธความหลงเหมือนพวกเรามีความอยากเหมือนพวกเราทําบุญทำบาปเหมือนพวกเราแต่พอได้ยินได้ฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนให้ทําแต่บุญไม่ให้ทําบาปแล้วให้คอยกําจัดความโลภความโกรธความหลง กำจัดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจพอท่านทำสำเร็จท่านก็กลายเป็นพระอรหันต่อสาวกขึ้นมาได้รับประโยชน์ได้รับผลอย่างเดียวกับที่พระพุทธเจ้าได้ทรงรับพวกเราทุกคนนี้สามารถทำได้เพราะว่าถ้าทำไม่ได้พระพุทธเจ้าจะไม่มาสอนพวกเราอย่างพระพุทธเจ้านี้ถ้าไม่ไปสอนเดลฉาน เพราะท่านรู้ว่าเดลฉานทำไม่ได้สอนหมาให้ทำบุญสอนไม่ได้หมามันจะทำแต่บาปหมามันจะทาแต่ตามความอยากของมันถ้าจะสอนหมาต้องห้ามมันต้องผูกวัดไว้เท่า น, นั้นเองถึงจะสอนมันได้ถ้าปล่อยมันตามอธัธยาศัยเดี๋ยวมันก็จะไปทำบาปเห็นข้าวของของใครวางไว้อยู่หน้ารับประทานมันก็จะ ถ้าไปกินเลยมันเห็นหมาตัวไหนที่น่ารักมันอยากจะร่วงหลับนอนด้วยมันก็ไปทำเลยเพราะว่ามันไม่มีความสามารถที่จะยับยั้งจิตใจของมันได้พวกเราหนี้เป็นมนุษย์เรามีสติมีปัญญาที่จะสามารถรู้ผิดรู้ถูกรู้ดีรู้ชั่วได้ถ้ามีคนสอนแล้วเราก็มีสติที่จะหยุด ใจของเราได้เวลาที่เราจะทำบาปถ้าเรารู้ว่าทำแล้วไม่ดีเราก็หยุดมันได้เช่นเวลาเราอยากจะดื่มสุราพอเรารู้ว่ามันไม่ดีเรามีสติเราก็หยุดมันได้เนี่ยดังนั้นพวกเราสามารถทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าได้สามารถหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ไม่ได้อยู่ที่เพศไม่ได้อยู่ที่วัย ทุกคนไม่ว่าจะเป็นคารวะเป็นนักบวชสามารถบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้ไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชายไม่ว่าจะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่สิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นเหตุปัจจัยที่จะทําให้เราเป็นหรือไม่เป็นสิ่งที่จะเป็นเหตุปัจจัยทําให้เราเป็นหรือไม่เป็นคือหนึ่งความเชื่อเราเชื่อพระพุทธเจ้าหรือเปล่าสองเมื่อเราเชื่อแล้ว เราตั้งใจปฏิบัติตามหรือเปล่าถ้าเราเชื่อแล้วเราตั้งใจปฏิบัติตามผลก็จะต้องเกิดขึ้นมาอย่างแน่นอนบุคคลที่เป็นพระอาลันตสาวกนี้มีหลายเพศด้วยกันเป็นพระก็มีเป็นคาววะก็มีเป็นหญิงก็มีเป็นชายก็มีเป็นเด็กก็มีเป็นผู้ใหญ่ก็มีดังนั้นพวกเราอย่าไปคิดว่า เราเป็นคารวาสแล้วเราไม่สามารถที่จะปฏิบัติได้เราปฏิบัติได้ถ้าเราอยากจะปฏิบัติเราอยากจะไปไหนเรายังไปได้เลยทาไมถ้าเราอยากจะปฏิบัติทำไมจะปฏิบัติไม่ได้ปัญหาคือเราไม่อยากปฏิบัติกันเพราะเราอาจจะไม่เชื่อว่าเราสามารถที่จะปฏิบัติได้และบรรลุได้เพราะเราไม่ได้ไปฟังคำสอนของพระพุทธเจ้า ถ้าเราฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆเราจะรู้ว่าใครก็สามารถปฏิบัติได้ไม่ได้อยู่ที่เพศไม่ได้อยู่ที่วัยไม่ได้อยู่ที่ว่าเป็นค า, ารวาลหรือเป็นนักบวชไม่ได้อยู่ที่ว่าเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่อยู่ที่ว่าเชื่อหรือเปล่าว่าการทําบุญการละบาการำชั่งละใจให้สะอาดนี้จะทําให้เราได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์ ได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดกันถ้าเราเชื่อเราก็จะมีกำลังใจที่จะนำไปปฏิบัติแล้วเมื่อเราปฏิบัติเราก็จะได้ผลอย่างแน่นอนผลเกิดจากการปฏิบัติผลไม่ได้เกิดจากการเชื่อเชื่อเฉยๆยังไม่พอเชื่อว่าเราทำได้เมื่อเราเชื่อว่าเราทำได้แล้วเราก็ต้องทำเมื่อเราทำแล้วเราก็ จะได้ผลแต่ตอนนี้เราไม่ทำกันเพราะเราอาจจะไม่เชื่อหรือไม่แน่ใจหรือว่าเชื่อแล้วแต่เรายังไปติดอยู่กับเรื่องอื่นอยู่จึงทำให้เราไม่สามารถมาทำในเรื่องที่เราเชื่อได้ดังนั้นเราต้องพยายามปลดตัวเราออกจากสิ่งที่เราติดอยู่สิ่งที่เราติดอยู่ก็คือความสุขชั่วคราวนี้เอง ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายความสุขจากลาบยศสารเสริญสิ่งเหล่านี้เราต้องมองให้มันเห็นว่ามันเป็นภัยเพราะว่ามันไม่เที่ยง ม, มันไม่ถาวรวันดีคืนดีมันก็จากเราไปได้พอจากเราไปแล้วความทุกข์ก็จะตามมาดังนั้นเราอย่าไปติดอยู่กับสิ่งเหล่านี้ดีกว่าเพราะวันหนึ่งข้างหน้าเราจะต้องจากกัน เวลาจากกันนี้มันจะทุกข์มากสู้จากกันตอนนี้ดีกว่าจากตอนที่เรายังมีเวลาที่เราจะมาทำบุญมาละบาปมาชำระใจของเราให้สะอาดแล้วเราก็จะได้มีแต่ความสุขได้หลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดนี่คือเรื่องของศรัทธาที่พวกเรานาสร้างกัน การสร้างศรัทธาก็สร้างจากการฟังเทศฟังธรรมเมื่อฟังแล้วนำเอาไปปฏิบัติเอาไปพิสูจนพอเราทำแล้วเราเกิดผลคือได้รับความสุขมากขึ้นความทุกข์น้อยลงเราก็จะมีศรัทธาเพิ่มมากขึ้นจะทำให้เราทาบุญได้มากขึ้นทำบาปได้น้อยลงทำให้เราลดความโลภความโกรธความหลงได้มากขึ้นเนี่ยการ การปฏิบัติมันจะทําให้ความศรัทธามีมากขึ้นแล้วก็จะทําให้เรามีกําลังใจที่จะปฏิบัติมากขึ้นต่อไปนี่เราก็จะไม่ต้องบังคับตัวเราเองเราจะปฏิบัติอย่างตลอดเวลาแล้วพอเราปฏิบัติด้านตลอดเวลาไม่นานเราก็จะได้ผลในชาตินี้เลย mm hmm. คนที่ฟังเทศน์ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าแล้วนําไปปฏิบัตินี้ส่วนใหญ่เขา ได้ผลใ น, ในชาตินี้กันทั้งนั้นพระอรันตาสาวกมีจำนวนเป็นหมื่นเป็นแสนนี้ก็ได้ผลในชาตินี้ไม่ต้องรอให้ไปเกิดในชาติหน้าถึงจะได้ผลขอให้เรามีความศรัทธาแล้วมีความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติตามเท่านั้นแล้วรับรองได้ว่าผลที่พุทธเจ้าได้ส่งรับก็จะเป็นผลที่เราจะได้รับต่อไป